คงทราบดีแล้วนะว่าพระตถาจารย์นี่จำพรรษาแรกที่ป่ายสิปตนามฤืกทายวันเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เดินจาริกไปยังกรุงราชครึกเพราะว่าเคยทรงรับปากกับพระเจ้าปิณพิสารว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมก็จะมาโปรดพระเจ้าปิณพิสาร ระหว่างทางเนี่ยพระองค์ก็ประทับอยู่พักอยู่ใต้ต้นไม้ก็มีชายหนุ่มนะจำนวน30สคนนะหน้าตาเลือกลักนะแล้วก็ดูมีความกังวลใจเดินผ่านมาแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาไหม เรื่องของเรื่องคือว่ามานบหนุ่มสาสิบคนเนี่ยก็ชวนกันไปสำเริงสําราญกันแล้วก็ต่างคนต่างก็ชวนผู้หญิงของตนเนี่ยไปไปสนุกสนานกันก็มีคนหนึ่งก็ชวนก็จะเป็นานางคณิ ก, กาไปแล้วก็พอคนเหล่านี้เผลอนางคณิ ก, กาเนี่ย ซึ่งในพระไตรปดกก็ใช้คำว่าหญิงแพทย์สยาก็ฉกฉวยเอาทรัพสมบัติของอชายหนุ่มเหล่านั้นไปก็คงจะเป็นพวกแก้วแหวนเงินทอง น, นะราคาแพงแล้วก็หายตัวไปชายหนุ่มเหล่านั้นพอรู้เข้าก็ตกใจนะ ทรัพสมบัติแก้วแหวนเงินทองนี่หายไปยเยอะๆแล้วก็เลยตามล่าหาผู้หญิงคนนี้แหละพอไปเจอผู้เจ้าเนี่ยคนเหล่า น, นั้นก็ไม่รู้จักนะแต่เห็นเป็นบรณชิตก็คิดว่าคงจะรู้เบาแะแสหรือว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านมาก็เลยถามว่าว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ผ่านมาหรือเปล่า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 ว่าจะเจอคำถามแบบนี้เราก็จะไม่เคยนึกนะเรื่องการแสวงหาตัวเองมาก่อนอาจจะเิดื่อปไปเรื่องยาปากข้อพอผู้เจ้าถามอย่างนี้แกก็คนเหล่านี้ก็เลยชะ ง, งักแล้วก็สนใจฟังว่าเออน่าคิดนะผู้เจ้าก็เลยแสดงธรรมแสดงธรรม คนเหล่านั้นก็พิจารณาตามพอพวกแสดงธรรมจบคนเหล่านั้นก็ได้เป็นพระสสดาบนันบ้างสกิทาบ้างอนาคามมีบ้างนะก็เลยว่าเมื่อกลับมาค้นหาแสวงหาตัวเองนะก็พบสัจธรรมคือความพ้นทุกข์นะอันนี้ก็เป็นเกรดนะเล็กๆตอนหนึ่งนะของพุทธประวัติ แต่ว่าก็ถือว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยตรัสถามเนี่ยนับว่าทันสมัยมากเลยนะพระเจ้านี่ชวนให้เขาเนี่ยกลับมาสแสวงหาตัวเองถามาแสวงหาตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีคนพูดถึงเท่าไหร่นะมันเพิ่งมามีคนพูดถึงกันมากๆก็ช่วงสมัยใหม่นี่เองนะ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 ค้นหาตัวเองที่สำนัก ง, งาน Google นะ o g l e นี่เพื่เราก็รู้จักกันดีนะอกักูหรือว่าโปรแกรมนะที่เขาใช้ค้นหา Search เอ็นจ n นเนี่ยตอนนี้ก็ร่ำรวยมากนะเพราะว่าได้รับความนิยมก็ดึงคนได้คนดีๆคนเก่งไปเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะของ Google คือว่าเขา มีการฝึกสมาธินะแต่เขาไม่ใช่เรียกว่าสมาธินะไม่ใช่คำว่า meditation นะโครงการนี้ก็ใช้ว่า search inside yourself ก็คือค้นหาภายในตัวเองนะก็ได้รับความนิยมมากพนักงานของเขานี่ก็มาเข้าโครงการนี้ก็คือมาฝึกสมาธิกันกันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากแล้วก็ เขาไม่ได้ทำเฉพาะในสานัก ง, ง, งานของเขาก็มีการจัดอบรมนอกสถานที่นะก็ใช้เวลาข้อสนึงก็เป็นอาทิตย์นะคนก็สนใจล้นหลามเพราะคนก็สมัยนี้อยากจะรู้จักตัวเองอยากจะค้นพบตัวเองอยากจะแสวงหานะว่าไอ้ใหนใจของเราเนี้ยมันมันมีความสุขมันมีความสงบมากน้อยแค่ไหน แต่ว่าให้เรื่องการแสวงหาตัวเองนี่ก็อย่างที่บอกนะผู้จานี่ตัดไว้นานแล้วนะไม่ใช่เป็นของใหม่นะสำหรับชาวพุทธแต่ว่าชาวพุทธอาจจะลืมเลือนไปนะพอพอมีคนพูดเรื่องเออค้นหาตัวเองก็กลับมาสนใจใหม่อันนี้แสวงหาตัวเองค้นหาตัวเองเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงมันสําคัญอย่างไรนะคือมันสําคัญก็เพราะว่า คนเดี๋ยวนี้หรือว่าทุกยุคทุกสมัยเลยก็ได้แล้วคนสมัยนี้ก็เป็นหนักมากคือลืมตัวเองเนะลืมนี่มันลืมได้หลายอย่างนะลืมกระเป๋าลืมโทรศัพท์นะลืมกุญแจรถเมื่อแต่ก็ตามที่เราลืมแล้วเรานึกขึ้นได้เราก็ต้องหาแล้วว่าเอากระเป๋าเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเอากุญแจรถไปวางไว้ที่ไหนนะเราจะแสวงหาก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราลืม ในทั้เราเดียกันนะแสวงหาตัวเองเนี่ยมันสำคัญก็เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยลืมนะลืมตัวนะลืมกายลืมใจนะอย่างเวลาสวดมนต์เนี่ยนะนะตัวก็สวดมนต์อยู่ที่สาราแต่ใจไม่รู้ไปไหนนะอันนี้เรียกว่าลืมกายนะลืมตัวก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่า เมื่อรู้ว่าลืมตัวแล้วเนี่ยใจก็ต้องกลับมาหาตัวใจก็กลับมาหาตัวเองกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองถ้าคนเราเนี่ยถ้าหากว่ารู้ว่าลืมตัวนี่อย่างดีนะอ่ส่วนใหญ่เนี่ยลืมตัวแล้วไม่รู้เลยนะใจมันก็ล่องลอยไปเมื่อใดก็ตามที่รู้ว่าลืมตัวเนี่ยใจมันจะกลับมาที่ตัวนกลับมาที่เนื้อที่ตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกับความรู้สึกตัวขึ้นมานะ แล้ไม่ใช่แค่ลืมกายลืมใจด้วยนะใจลอยไหลไปไหนไม่รู้นะหรือว่าใจจมอยู่ในความทุกข์นะคนที่ลืมใจเนี่ยนั้นใจก็จะก็เพราะว่าใจเนี่ยเขาจมอยู่ในความทุกข์นะความโกรธความเศร้าความท้อแท้ความผิดหวังมีอาการแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไร่ก็แปลว่าลืมใจนะ ปล่อยใจให้ตกหล่นอยู่ในปรักนะแห่งความโกรธความทุกข์ความเศร้าเมื่อลืมแล้วเป็นงานก็ต้องหานะหาให้เจอนะนะถ้าเรารู้ว่าลืมแล้วเราก็การหาก็ไม่ยากนะก็จะพบใจได้ไม่ยากนะเราลืมใจนี่เป็นประจำเราลืมกายนะบุบบ่อยๆแล้ใจใจเราเองก็ลืมความปกตินะ ความปกตินี่มันเป็นสภาวะที่มันเป็นปกติของใจก็ได้แต่เมื่อตามที่เรารู้ตัวเมื่อไหร่หรือว่าใจเนี่นะเกิดมีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลับคืนมาสู่ความปกติไอ้คาว่าการค้นหาตัวเองเนี่ยนะมันมันหมายถึงการที่เราเนี่ยไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะ พาใจนะกลับมาอยู่กับกายหรือว่าพาใจกลับคืนมาสู่ความปกติสุขนะความเป็นปกตินะนะไม่บวกไม่ลบไม่ฟูไม่แฟบ ก, ก, ก, การรู้จักตัวเองนะถ้าเราค้นหาตัวเองเนี่ยเราก็จะพบตัวเองนะถ้าหาถูกนะก็จะพบตัวเองพบตัวเองก็รู้จักตัวเองคนอันนี้เนี่ยนะไปออกไปส่งจิตออกนอก แล้วก็ไม่รู้จักตัวเองเลยว่าเป็นใครรู้จักตัวเองเนี่ยก็มีความหมายหลายอย่างนะเนะช่นเห็นหน้าตัวเองเห็นเงาตัวเองในกระจกนี่ก็รู้ว่เนี่ยคือเรานะอันนี้มันก็เป็นการรู้จักตัวเองแบบสามัญนะซึ่งก็มีมนุษย์แลกศัตร์ไม่กี่ชนิดนะที่รู้จักตัวเองแบบนี้ได้ เห็นเงาตัวเองในกระจกแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือเราช้างนี่มันก็รู้นะแต่ว่าพวกหมาพวกไก่พวกเป็ดนี่มันไม่รู้นะเอากระจกมาวางไว้ข้างหน้ามันมันก็ยังจิกกระจกเลยเพราะมันนึกว่าเงาที่มันเห็นข้างหน้าเนี่ยคือคื อ, คอไก่ตัวอื่นเป็ดตัวอื่นอันนี้เซลล์มันไม่รู้จักตัวเองนะแต่ว่ารู้จักตัวแบบนี้มันยังหยาบอยู่นะเพราะว่าเด็กๆ ก, ก็ทําได้ทาร ก, ก็ทําได้ น, นะขวบสองขวบก็ เห็นตัวเองในกระจกก็รู้แล้วว่านี่ตัวเองรู้จักตัวเองที่ลึกไปก็นนคือรู้ว่าเรามีนิสัยใจคออย่างไรเรามีความถนัดตรงไหนบางคนชอบวาดภาพบางคนเก่งทางช่างบางคนถนัดเรื่องขีดเขียนอันนี้ก็ดูเหมือนว่ามันธรรมดาสา ม, มัญ น, นะแต่ว่าคนจนวมากก็ไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรนะ เรียนหนังสือเรียนมา12ปียังไม่รู้เลยว่าตัวเองถนัดอะไรทั้งที่ผ่านมาทุกวิชาแล้วทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ดนตรีศิลปะเขามีให้เขามีให้เรียนเยอะแยะหมดก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถนัดอะไรนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้จดจ่อใส่ใจในเรื่องในเรื่องการเรียนเท่าไหร่เรียนหมาเท่าไหร่ก็เรียนตามเพื่อนคนะณะนี้ก็เรียนตามเพื่อนเขาแหาไปเรียนนิเทศศาสตร์ก็ไปเรียน ถามว่าชอบนิเทศศาสตร์เหรอเปล่านะเพื่อนเรียนวรารสารก็ไปเรียนวรารสารกับเขาบ้างถามว่าชอบขีดเขียนชอบทําข่าวเหรอก็บอกไม่รู้นะอเป็นอย่างนี้กันเยอะเนะีเรียกอย่างนี้เรียวกยวก่าไม่รู้จักตัวเองนะแล้วก็พ่อไม่สนใจที่จะค้นหาตัวเองว่าเราเป็นใครเราถนัดอะไรจบมาแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทํางานอะไรนะ ต้องให้พ่อช่วยหางานให้หรือให้พ่อช่วยเลือกให้นะนยี่สิบกว่าแล้วนี้ยังไม่รู้จักตัวเองแม้กระทั่งในความหมายที่มันพื้นๆ น, น, นี่นะก็ก็แย่แล้วนะการรู้จักนิสัยใจคอของตัวเองก็สาคัญนะรู้ว่าตัวเเป็นคนใจร้อนใจเย็นหรือว่าเป็นคนที่หุนทันพลันแล่นเป็นคนที่ชอบพูดนะชอบนินทา คนที่หลายคนเนี่ยชอบพูดพูดพูดพูดพูดแต่โดยไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบพูดเนี่ยเยอะเลยนะเจอมากนะคนที่ชอบพูดเห็นใครอยู่ใกล้ก็พูดนะเจอโยมคนหนึ่งนี่แกอยู่ใครข้างๆไปไม่ได้ก็พูดต้องชวนคุยพอไม่มีใครชวนคุยเห็นพระกลาลังฉันอยู่ก็ชวนพระฉันให้ชวนพระคุยพระฉันไปโยมก็คุยไป คุยกับภาพไปเป็นอย่างนี้ทุกมือทุกมือเลยนะก็เลยแกก็ไม่รู้ตัวนะว่าแกเป็นคนที่หยุดพูดไม่เป็นนะจะรู้จะรู้ได้ก็ต้องจะหยุดพูดเป็นก็ต้องรู้ว่าตัวเองนี่เป็นคนช่างคุยหรือว่าคุยไม่หยุดนะบางคนอายุถึงหกสิบแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองมีนิสัยแบบนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักตัวเองนะแต่ว่าไม่รู้จักตัวเองที่มันที่มันสำคัญก่อนนั่นก็คือการที่นะ รู้กายรู้ใจนะรู้กายรู้ใจในปัจจุบันขณะเช่นขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเออเราก็รู้ว่ากำลังนั่งนะนะอันนี้ก็ถ้าไม่รู้ก็คือลืมนั่นแหละลืมกายลืมใจนะนั่งสร้างจังหวะอยู่บางทีบางขณะมันยังไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังสร้างจังหวะนะเพราะใจลอยคิดไปนโน่งคิดไป น, นีนะ่นี่ว่าลืมกายนะไม่รู้กายใจ คิดไปเป็นเรื่องเป็นราวนานสิบนาทีก็ยังไม่รู้เลยนะว่าใจลอยอันนี้ก็หลืมใจนะไม่รู้ใจโกรธนะโกรธเป็นวักเป็นเวนนะเป็นวันเป็นอาทิตย์นี่ก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้ใจเหมือนกันนะก็เป็นความไม่รู้ตัวแบบหนึ่งใอ้เรารู้จักตัวเองมันความหมายที่นะ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 พะมันไม่ใช่แค่รู้นิสัยใจคอนิสัยใจคอนี้บางทีมันใช้การสังเกตนะมันใช้เวลาเป็นปีหนึ่งจะถึงจะสังเกตได้เออเรามีนิสัยแบบนี้เพราะนิสัยนี่มันค่อนข้างจะค่อนค่อนข้างจะคงเปลี่ยนแปลงช้านะนิสัยมันเปลี่ยนแปลงได้แต่มันเปลี่ยนแปลงช้านะบางคนสิบปีก็ยังนิสัยเหมือนเดิมเนี่ยที่นี่มันก็เปลี่ยนนะแต่ว่ามันเปลี่ยนน้อย แต่ผ่านไป1ิปีก็ยังไม่รู้นะว่าเรามีนิสัยยังไงเป็นคนแบบไหนนี่ก็มีเยอะแต่ว่าไอ้เรื่องการรู้กายรู้ใจในแต่และขณะนี้มันละเอียดกว่านะมันเป็นขณะขณะขณะนะเร า, าจะไม่รู้ทันไม่มีสติรู้ทันในทุกขณะนะแต่ว่าถ้ารามันนะจเจริญสตินะเราก็จะรู้กายนะรู้ใจนะอันนี้ก็เป็นการรู้จักตัวแบบหนึ่ง เวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธนะเวลาเวลาซึมก็เวลาซึมเศร้าก็รู้ว่าซึมเศร้านะเวลาเครียดก็รู้ว่าเครียดนะอันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี้ยนะก็แปลว่าถูกความโกรธมันครอบนะถูกความเกลียดมันครอบหรือว่าถูกความซึมเศร้ามันครอบนะพอมันครอบใจแล้วเป็นางานใจก็มืดนะนะมืดก็คือหลงนั่นเอง แล้วก็ทําให้ทําอะไรอ ผ, ผิดพลาดเสียหายนะ <_ d ata> เช่นถ้าโกรดนี่ก็ไปด่าเขานะบางทีก็ทําร้ายเข้าของแล้วก็มาเสียใจบางทีคนที่ถูกด่าว่าไม่ใช่ใครก็เป็นพ่อเป็นแม่นะซึ่งอาจจะกําลังป่วยนะแต่ว่าพ่อแม่ดื้อ น, นะลูกดูแลพ่อแม่จริงจริงก็ปรารถนาดีกับพ่อแม่แต่แตแตพ่อพ่อแม่ดื้อ นะไม่ทำตามก็ลูกก็ผิดหวังเสียใจหรือว่าไม่พอใจพอไม่พอใจมากๆเขาก็กลายเป็นโกรธโกรธไปก็ลืมตัวนะไอ้ตอนที่ว่าพ่อนะว่าแม่ก็ไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็เลยว่านะลืมใจเหมือนกันหรือลืมตัวนะบางทีก็ทำอย่างนั้นกับลูกนะก็กลับมาเสียใจมีพ่อคนหนึ่งนะ ลูกนั่งทำกันบ้านอยู่อายุห้าขวบนะลูกทากันบ้านก็คงไปพูดกับลูกแล้วลูกก็ไม่สนใจลูกยังทำต่อมั้งนะหรือว่าอาจจะสอนลูกแล้วลูกก็ยังทำผิดทำพลาด น, นะเพราะว่าลูกยังเด็กแต่แค่ห้าขวบนะทำทำเลขคณิตเนี่ยมันก็ผิดผิดพลาดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อก็โมโหนะฉีกนะฉีกสมุด น, นี่ไงดึงดึงดึงสมุดของลูกนี่เคื่งทิ้งเลยนะเสร็จ แ, แล้วก็มาเสียใจว่าทำไมเราทำกับลูกแบบนี้นะลูกก็ยังเด็กยังเล็กล ก, ก็มาเสียใจอันนี้เรียกว่าเพราะลืมตัวนะไอตอนที่ลืมตัวนะมันไม่รู้มันไม่รู้ตัวนะหรือว่าไม่รู้จักว่าไม่รู้ตัวกํากลังโกรธนะกลาลังชุนเฉียวเนี่ยรู้จักตัวเองเราต้องรู้จักให้ให้ละเอียดละออถึงขั้นนี้นะคือว่า พราว่าอารมณ์ที่เป็นเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะดรวมทั้งความคิดด้วยหรือว่าตอนนี้นี่เรากําลังคิดคิดฟุ้งนะหรือว่าตอนนี้เรากำลังคิดลายคิดชั่วนะอตอนนี้เรากำลังคิดอ like, กุศลนะอนน เ, ลนะเออเนี่ยแล้วพอรู้ว่าคิดอกุศลแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องรู้แบบเป็น ก, กลางๆนะไม่ใช่พอรู้ตัวเองคิดอกุศลก็รู้สึกแยก่กับตัวเองเกลียดตัวเองโมโหตัวเองนะะเกลียดตัวเองที่คิดอกุศลหรือว่าโมโหตัวเองที่คิดแบบนั้น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 อย่างที่หลวงพ่อเขียนท่าว่าเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะไม่ใช่ว่าคิดดีเอาคิดไม่คิดคิดไม่ดีแลก็ผักใสหรือว่าทำร้ายตัวเองโมโหตัวเองทำไมคิดชั่วแบบนั้นนะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างเนาะก็แค่ดูมันเฉยเฉยนะอันนี้แหละจะทําให้เรารู้จักตัวเองได้อย่างแท้จริงพราอไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไปวิพากวิจารในความคิดหรือว่าไป มีปฏิกิริยากับความคิดที่มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เห็นอย่างที่มันเป็นจริงๆนะแล้วก็อาจจะถูกอารมณ์ครอบงำซ้ำสองอีกนะเช่นเวลาโกรธเนี่ยรู้ว่าโกรธเสร็จแล้วก็มาเสียใจหรือว่าเกิดไม่พอใจว่าทําไมเราโกรธเราปฏิบัติมาต้องนานทําไมเราโกรธโมโหตัวเองโมโหหรือโกรธตัวเองที่โกรธนะอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะนอกปฏิบัติโกรธตัวเองที่โกรธย่อโกรธซ้อนโกรธเนี่ย ไอ้โกรธตัวแรกนี่ส่วนใหญ่ก็ถ้าปฏิบาย้วก็จะรู้ทันได้ไวแต่ว่าโกรธตัวที่สองเนี่ยคือโกรธที่ตัวเองโกรธเนี่ยไอ้โกรธตัวที่สองเนี่ยมันไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะว่ามันติดดีนะติดดีกคือว่าไม่อยากให้ตัวเองโกรธนะมีไา้ตัวเองฟุง้งพอโกรธเข้าก็เกิดความผิดหวังเกิดความไม่พอใจนะแล้วก็เลยโกรธตัวเองนะผิดหวังตัวเอง อันนี้เลยว่าไม่ไม่ไม่ไม่รู้ซื่อไม่เห็นเฉยๆนะมันไปมีการวิพากษ์วิจาร์ไปปรุงแต่งต่อยมันก็เรียกว่าไม่เห็นตัวเองอย่างแท้จริงนะยิ่งถ้าเห็นตัวเองเนี่ยค้นหาตัวเองจริงไปนะคนไปคนไปเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่หยุดแค่สมถะไม่หยุดแค่ความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่มีสติเห็นความคิด เห็นการปรุงแต่งแล้วก็วางถ้าเรามีสตินะเราเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสงบมันจิตมันก็เริ่มจิตก็เริ่มสงบนะพอสงบแล้วบางทีก็ติดนะติดในความสงบถ้าไม่ไม่ไม่ไม่มองต่อนะไม่แสวงหาตัวเองต่อเนี่ยนะมันก็ก็หยุดแค่นั้นแหละแล้วกายกายป็นติดสงบไปแต่ถ้าหากว่ายัง เฝ้าดูนะตัวเองต่อไปนะอย่างที่ใช้ที่ใช้กระบวนการเนี่ยที่ทางพุทธศาสนวิปัสสนาเนี่ยถ้าถ้าทำต่อนะนก็จะเห็นเลยนะว่าเอาคข้ยจริงๆไอ้พอค้นหาตัวงไปแสวงหาตัวเองไปงเพราะว่ามันไม่มีตัวตนอยู่เลยนะอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นจุดหักมุมนะค้นหาไปค้นหาไป แสวงหาตัวเองไปแสวงไปเรื่อยๆปรากฏว่านะเห็นความจริงของตัวเองไปเรื่อยๆสุดท้ายมันไม่ไม่เหลือตัวตนหรือเพราะว่าไม่มีตัวตนอยู่เลยแม้แต่น้อยเหนะมือนกับเราลอกเปลือกลอกเปลือกลอกกระมาพา้าวลอกกาบกล้วยเนะลอกไปเรื่อยๆลอกไปเรื่อยๆปรากฏว่าข้างในมันกลวงมันว่างเปล่ากนะารค น, นหาตัวเองเนี่ยในสุดมันก็จะลงเอยตรงที่ว่า มันไม่พบตัวเองไม่พบตัวตนหรือว่าไม่มีตัวกูอยู่เลยนะอันนี้เรียกว่าอนัตตานะคนหาตัวเในสุดก็พบว่าแท้จริงแล้วนะมันไม่มีตัวตนนะนะที่เที่ยงแท้เลยไอ้เขาว่าไม่มีตัวตนไม่ได้แปลว่ามันว่างเปล่านะถ้าจะแปลว่าว่างเปล่าคือว่างเปล่าจากความแห่งตัวตนหรือว่างเปล่าจากตัวตนเนี่ยได้ มันมีอยู่แต่มันมีอยู่ไม่ใช่ในรูปตัวตนที่เป็นของเท่งแท้แน่นอนแต่มันมีอยู่ในรูปของกระแสนะคือกระแสที่แปรเปลี่ยนเหมือนกระแสน้ําเนี่ยเวลาเราดูกระแสน้ําเนี่ยมันก็ไหลตลอดเวลาหาตัวตนของน้ํานี่ไม่เจอนะเพราะว่าจะจับยังไงเนี่ยมันก็มันก็ไหลเลื่อนไปเรื่อยๆน้ําเมื่อหนึ่งวินาทีน้ำเมื่อหนึน่งนาทีที่แล้วกับน้ํา ในนาทีนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยก็ก็เป็นคนละคนละอันกันนะแม่น้านี่มันจะไหลเอื่อยไปเรื่อยๆนะยิ่งถ้าเกิดว่าสร้างเขื่อนหรือว่าสร้างทำนบเนี่ยน้าก็จะหายไปเลยนะไม่อาจจะไม่เหลือน้าสักหยดเลยก็ได้ร่างกายของเรามก็เคลื่อนแปลเปลี่ยนเป็นกระแสนะมันมีการสร้าง สร้างเซลล์ใหม่แล้วก็เซลล์เ ก, ก่าก็ตายเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งมีเซลล์ที่ตายไปในร่างกายเราเนี่ยห้าหมถึงแสล้านเซลล์แต่เราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนนั่นแหลเพราะมันมีเซลล์ใหม่สร้างขึ้นร่างกายเราแต่ละขณะแต่ละขณะข น, นี่มันใหม่เสมอเนี่ยเขาเนี่ยเขามีการคำนวณเพราะว่าเนี่ยภายในเวลา10ปีเนี่ยร่างเราจะเป็นร่างใหม่นะถอดด้ามแล้วก็ว่าได้ กระดูกก็ใหม่หนังก็ใหม่ผมก็ใหม่ปอดก็ใหม่ตับก็ใหม่อาจจะเก่ากเฉพาะหัวใจที่ยังยังเหมือนเดิมหรือว่าสมองนะที่เหลือนี่มันใหม่หมดเลยแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอนจิตยิ่งแล้วใหญ่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูเลยฉั้นค้นหาไปค้นหาไปนะโดยใช้วิปัสสนาเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่มี นะตัวกูหรือตัวฉันอยู่เลยแม้แต่น้อยในสิ่งที่อัตภาพนะที่เห็นเป็นเป็นเราเนี่ยมันก็มีแต่กายกับใจเท่านั้นแหละมันไม่มีตัวกูอยู่เลยนะและกายก็ไม่ใช่ตัวกูใจก็ไม่ใช่ตัวกูเนะี่ะไอ้ที่ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรนี่ก็เป็นแค่ชั่วคราวนะไม่ได้เป็นอะไรถาวร น, นะที่หลวงพ่อขีปนาวุธไม่เป็นอะไรกับอะไรนะี่ก็เพราะมันไม่มีตัวกูที่จะที่จะ ที่จะเป็นผู้เป็นอะไรเลยไอายการเป็นนั่นเป็นนี่นี่มันเป็นแค่ชั่วคราวแต่ถ้ายึดเอาไว้ก็จะเป็นทุกข์นะโอ๋ล้อนี่ยถ้ามันไม่ไม่เห็นความจริงตรงนี้นเกิดอะไรกับกายนะใจก็ทุกข์ด้วยนะเช่นเวลานั่งแบบนี้นั่งอยู่เนี่ยกายปวดกายเมื่อยเนี่ยมันก็จะรู้สึกไปว่าเนี่ยมีกูปวดกูเมื่อย มันจะไม่ใช่เห็นนะแค่ว่าเออกายปวดกายเมื่อยแต่ว่ามันมีการปรุงตัวกูขึ้นมามีกูเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนีอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นแล้วนะเข้าไปเป็นล้หลวงพ่อคําเขียนท่านสอนว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยคือเห็นความปวดนะไม่เป็นผู้ปวดมีความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็เห็นความคิดนะแต่ไม่เป็นผู้คิดฟุ้งซ่าน แต่เพราะความหลงนะว่ามันมีตัวกูเนี่ยมันก็เลยยึดโน่นยึดนี่เป็นเป็นกูเป็นของกูไปหมดนะกูปวดกูเมื่อยกูโกรธนะกูเศร้านะอันนี้รราเป็นแล้วนะนมันไม่จะเห็นลรำเข้าไปเป็นนั้นถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นแต่พึตงเือ น, นะก็คือว่ามีตัวกูเป็นนั่นเป็นนี่แต่เมื่อใดก็ตามที่มีสตินะเห็นเฉยเฉยเนี่ยมันก็ ถอนความเป็นนั่นเป็นนี่ออกไปแต่พอสติมแล้วก็เข้าไปเป็นใหม่นะมันจะมันจะเข้าๆออกแบบนี้แหละนะจนกว่าจะมีปัญญาเห็นแจมเห็นแจ่มชัดว่าโอ้มันไม่มีตัวกูของกูเลยแม้แต่น้อยนะถึงตอนนั้นนี่มันก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วนะอะไรเกิดกับกายกับใจก็ไม่ได้ยึดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนั้นเป็นเราเป็นของเรานะ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 อันนี้มันยังมีตัวกูอยู่นะมันยังเรียกว่ายังยังรู้จักตัวเองนี่ยังไม่ไม่สุดทางพอรู้จักไปสุดทางก็พบว่ามันไม่ไม่มีเราที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เลยนะก็เป็นความหมายของเขาไม่เป็นอะไรกับอะไรนะไอ้ที่เป็นนี่ก็เป็นแค่สมมุตินะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นครูเป็นศิษย์นี่ก็สมมุติ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 เราก็ต้องไม่เสียใจนะว่าโอมันมีแต่มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะ ม, นมีทุกข์ทั้งนั้นก็จริงแต่ว่ามันไม่มีผู้ทุกข์เนี่ยทําได้นะแต่ธรรมชาติความจริงเป็นอย่างนั้นคือมันไม่มีผู้ทุกข์นะมันมีแต่ทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์แต่เพราะความลงนั่นแหละก็เลยไปไปปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้เจ็บผู้ป่วยผู้ตายมันก็เลย มีความทุกข์ใจเกิดมาแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีผู้แก่ไม่มีผู้เจ็บไม่มีผู้ตายเนี่ยมันจะมีผู้ทุกข์ตรงไหนนะมันจะมีใครทุกข์นะมันก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียใจนะว่าที่รู้ว่าอ้มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะแต่ว่ามันไม่มีผู้ทุกข์นะถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้แหละนะก็จะ ก็จะพ้นทุกข์ได้นะอย่างที่หลวงพอ่อหลวงพ่อคาเขียนนั่นเขียนเอาไว้นะก่อนมารับมรณาภาพนะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์จริงๆก็รู้ว่ามันมีแต่ทุกข์แต่ไม่มีพูดทุกข์นะไม่มีพูดทุกข์มันก็พ้นทุกข์เท่านั้นแหลนะเอาละคำนี้เพื่อตอนี้นะอ่ะกลับครับ